2. อ, อุทโทสิตะสิขาบท 25. ถามทรงบัญญัตินิสัเคียปาจิตตีแก่ภิกษุผู้อยู่ปราศจากไกลจีวรสิ้นราตรีหนึ่งณที่ไหนตอบทรงบัญญัตนากรุงสาวัตถีถามทรงปรารบไกลตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไร ตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปฝากจีวรไว้กับพวกภิกษุมีเพียงอุตราสงกับอันตรวาสกออกจาริกไปสู่ชนบทในอุดโทสิตสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัต6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานคือ 1. เกิดทางกายกับวาจา มิใช่เกิดทางจิตสองเกิดทางกายวาจากับจิต